ถ้าสุตรสูตรนี่เป็นสูตรใหญ่จริงๆเลเนาะงัไม่มีอะไรสงสัยบ้างเลยอ๋อปกติดีเข้าใจยากมากเลยปกติดีเนี่ยของมาไม่ค่อยเข้าใจง่ า, งายๆหรอกคือเพราะไม่รู้ว่าถ้ามันมันหย่อนลงไปมันเท่าไหร่มันเกินมันเท่าไหร่มงงันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจว่าไอ้ปกตินี่มันแค่ไหน ในช่วงปิดเทอมนี่นะใครใครสนใจก็อิทธิพิติพุตธกาสนี่หน่าไปฟังคืออ่านประกอบกับเล่มสี่สิบห้ามีแปดสิบสามมวนนี่นะแปดสิบสามมวนนี่ก็แล้วก็เปิดคู่กับเล่มสี่สิบห้าเนี่ยไปเทปต้นฉบับนี่มีแล้วเนี่ยนะเทปเทปต้นฉบับนี่มีแล้วมันก็หาเทปเปล่ามาแล้วก็พิจารณาเอาเนี่ยนะอ่า ตั้งแปสิบสาม้วนเนี่ยนะก็แล้วก็อ่านควบคู่กับเล่มสี่สิบห้าอิติวุตกะก็จะได้ประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยนะนแล้วก็เปิดเอกสารหน้ายี่สิบสามเนาะที่จริงแล้วช่วงวันนี้นะเราก็พูดหัวข้อหลักก็คือเน้นอธิบายหลักธรรมทั้งหมดเพื่อจะประมวลให้เห็นคุณของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะในในด้านหลักธรรมน่ะส่วนในด้านการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบารมีก็คงต้องเป็นพรุ่งนี้มั้งเนาะที่จะได้พูดถึงชาติใหญ่คำว่ามหาชาตินี้แปลว่าชาติใหญ่นะน่ะชาติที่ที่ใหญ่คืออย่างเช่นพระเวสสันดรเนี่ยนะเริ่มนพรุ่งนี้กับวันที่สามสิบสองครั้งเนี่ยจึงกระจบน่ะก็ว่า คือเอาเนื้อหาในด้านอื่นๆที่เราควรจะเข้าใจองค์ประกอบให้มากเท่าที่จะทําได้นั่นนะถ้าหากว่าเรารู้หรือมีความเข้าใจในอัธยาสัยของพระพุทธเจ้านะการเจริญกุศลในพระศาสนาเนี่ยจะไม่ถึงกับเป็นภาระหมักหนักมากนะนะคล้ายๆกับว่ารู้อัธยาศัยของพระองค์ก็เหมือนกับใครที่เคยมีนายแล้วก็ถ้ารู้อัธยาศายนายแล้วก็จะไม่ค่อยยากใช่ไหม นะอยู่กับพ่อนี่ถ้ารู้ใจพ่อนะว่าพ่อมีอัธยาศัยยังไงนะโอ้อยู่ด้วยกันไม่ยากนะอยู่กับลูกพี่บางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆงถ้ารู้ใจซะหน่อยเนี่ยโอ้สบายก็มาเคยอยู่กับบางท่านมัมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวว่าห้ามยุ่งกับต้นไม้ที่เหลือดีหมดเนี่ยนะแค่นั้นแหละนะนะข้อห้ามก็มีเท่านั้นจริงๆอย่าไปยุ่งกับต้นไม้ถ้าไปรถได้ห้ามตัดห้ามเด็ดห้ามเกี่ยวข้องทุกอย่างในแง่ทําลายแค่นั้นแนหะแล้วจะสุโคสมมสรหมด อันนะั้นั้นใดก็ดีการศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันถ้าเรารู้อัธยาศัยของพระพุทธเจ้าว่าพระ อ, องค์บำเพ็ญบารมีทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยนะแล้วพระ อ, องค์สอนเนี่ยสอนไปเพื่ออะไรแล้วก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อที่จะศึกษาและปฏิบัติตามถ้าทำจิตเอาไว้เท่านั้นนะโอ้มหากุศลนี้จะเกิดไม่ใช่น้อยเลยแล้วบางสูตรนี้ยังนึกชอบที่ว่า แค่ผู้ที่มีเลื่อมผู้ที่มีใจเลื่อมใสนะก็พ้นทุกแล้วไม่จำกราวต้องปฏิบัติตามหรือว่าไปเจริญตามแบบนั้นทาให้มากวังนั้นแต่แค่ยังจิตให้เลื่อมใสนี่ก็ปิดไม่ไปอบายวังนั้นนะมีมีคุณนานิสงเท่านั้นอย่าลืมว่ายังจิตให้เลื่อมใสก็ไม่ไปอบายถ้าตรงกันข้ามล่ะปฏิเสธซะก็ไปอบายได้สบายๆอีกเหมือนกัน มีอยู่สูตรหนึ่งที่พระ อ, องค์แสดงถึงว่าพวกสุเนศศาสดาเนี่ยนะพวกสุเนศศาสดาเนี่ยเค้าสอนลัทธิแต่ว่าลัทธิเขาคือสอนพรหมวิหารศาสนาเขาคือศาสนาสอนพรหมวิหารอย่างเดียวยนะเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยปฏิบัติตามมมกเ้าก็แบ่งเป็นกลุ่มว่ากลุ่มพวกไหนที่ไม่เลื่อมใสแล้วก็คัดค้านไปอบายหมดเนีย่ยนะกลุ่มไหนที่เลื่อมใสแล้ว ปฏิบัติตามถึงขั้นก็ไปพรห ม, มโลกหมดพวกไหนที่เลื่อมใสเฉยๆไม่ได้ไปเจริญตามปฏิบัติตามก็บางพวกก็เกิดเป็นกรรษัตริย์มหาศาลมนุษย์มหาศาลเป็นเทวดาชั้นต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็มีเสร็จแล้วพวง์ก็มาพูดถึงว่านั่นการติเตียนสุเนศศาสดาหรือสาวกของท่านยังมีโทษขนาด น, น, นั้นถ้าหากว่าติเตียนบุคคลที่เป็นทศดาบันคนเดียวนะมีโทษกว่านั้นทั้งหมดด้วยเนี่ยนะ การการการไ ป, ไปเพ่งโทษไปอะไรลูกศิษย์ของภาษาอ่ของพะตถาคตเนี่ยมีโทษกว่า น, นั้นอีกเนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างพระอริยะเนี่ยนะเพราะฉะนั้ น, ะนอ่เป็นสิ่งที่เราต้องสังวรให้มากๆแม้กระทั่งในอลลคัตทูประมาสูตรนะตอนท้ายๆก็ยังนึกชอบอยู่ดีอีกที่ว่าอ่ธรรมะที่เราแสดงไว้ดีแล้วอย่างนี้เนี่ยนะคือคำว่าดีแล้วดีเนี่ยดีขนาดไหนก็ ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์แล้วอ่ะเนี่ยนะถ้าปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์สอนเขาพ้นทุกข์จริงๆก็ถือว่าสอนไว้ดีขนาดนี้เนี่ยนะทีนี้ถ้าผู้ใดที่เลื่อมใสในคําสอนเหล่านั้นเนี่ยนะชนเหล่านั้นก็ไม่ไปสู่ทุกคติเหมือนกับที่เรียกว่าผู้ใดมีใจเลื่อมใสไป ไปสังเวชนียสถานเพื่อระลึกถึงคุณว่าเออที่ตรงนี้พระตถาคตพระองค์ประสูติที่นี่นะตรัสรู้ที่นี้ดับขันปริณิพานที่นี้เนี่ยนะแสดงธรรมมาจากณนะที่นี้ด้วยจิตที่เลื่อมใสชนเหล่านั้นก็ไม่ไปอบายอันนี้พูดถึงไออานุภาพของของศรัทธาเหล่านั้นนะแต่นี้ถ้าหากว่าตรงกันข้ามล่ะก็ก็มีโทษไปตามนั้นเนี่ยนะอย่าลืมว่าสิ่งใดมีคุณมากถ้าผู้ที่ปฏิบัติผิดก็มีโทษมากเนี่ยนะ อย่างพ่อแม่ทั้งหลายเนี่ยนะบุตรหลานที่บำรุงเลี้ยงดูท่านก็นับว่ามีคุณอย่างมากแต่ถ้าไปดา่าถ้าไปเบียดเบียนซิสิ่งที่มันตรงกันข้ามซะโทษก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันเนี่ยนะไฟฟ้าให้คุณมากแต่ว่าคนที่ถูกไฟช็อตตายก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะรถยนต์เนี่ยทำให้สะดวกมากแต่ถ้าใครใช้ผิดประเภทก็รถชนตายก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยนะหรือไปความตายก็ไม่ใช่น้อยฉะนั้นสิ่งใดก็ตามถ้ามีคุณสิ่งนั้นก็จะมีโทษอยู่ ไกลๆแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นมีโทษแต่เข้าไปทำผิดกับสิ่งนั้นเองเนี่ยนะเข้าเข้าไปปฏิบัติผิดนั่นเองประทับคาสอนก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าเราเข้าใจมีความรู้ทราบซึ้งถึงคุณของพระองค์เนี่ยนะก็ทำให้มีศรัทธาที่จะจะเจริญรอยตามถ้าหากว่าเมื่อไรที่เราปฏิบัติไม่ได้เราโทษคำสอนหรือว่าโทษเราเองเนี่ยนะบอกว่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของาศาสนาคือ ผู้ที่ปฏิบัติตามไม่ได้จะไม่โทษพระศาสนาอันนี้นี่พูดแบบสมัยก่อนนะคือคูดแบบสมัยที่คนเข้าใจคําสอนดีเนี่ยนะถ้าเขาปฏิบัติตามไม่ได้เขาจะไม่ตําหนิเลยว่าคําสอนไม่ดีแต่เขาตําหนิตัวเขาเองว่าเขาเขาทําไม่ได้เนี่ยนะเขาเขาใช้ไม่ได้เขาทําตามไม่ได้ในในส่วนนั้นๆ น, นนะ ท่านท่านยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งพระพิสุสมัยพุทธกาลที่ศึกษาลาเพศไปท่านจะไม่ตําหนิว่าศาสนาไม่ดีเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านบุญน้อยท่านจะว่างั้นว่าบุญน้อยไม่สามารถจ ะ, ะบําเพ็ญหรือปฏิบัติตามได้อย่างบริบูรณ์นั้นผู้ที่ตั้งจิตไว้ชอบจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าตั้งจิตไว้ผิดล่ะอันไหนที่ฉันทําไม่ได้คําสอนไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนีก็เอาเราไปเป็นไม้บรรทัดวัดทุกเรื่องเราแย่ yeah. ที่จริงแล้วโลกนี้การตั้งจิตนะสำคัญที่สุดเลยโลกนะกายาวาณาเคือบกว้างตอกนะอยู่ที่การตั้งจิตจริงๆถ้าตั้งจิตเอาไว้ดีความทุกข์ก็ลดลงไปถ้าตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยนะความทุกข์ก็จะทับถมทับถมตามมานี่นะถามว่าอะไรที่ควรตั้งเอาไว้ล่ะเนี่ยนะอะไรบ้างที่ควรตั้งเอาไว้ในจิตของเราเนี่ยนะ Ips. ก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ผิดเลยที่ควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะในในจิตก็คือหนึ่งอับอนาพิชาเนี่ยควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะอัอพยาปาทาก็ควรควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะสัมมาทิฏฐิก็ควรตั้งเอาไว้โดยเฉพาะมโนกรรมที่เป็นมโนสุจริตเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งสัมมาสตินี้ก็ควรตั้งเอาไว้เนี่ยนะก็ตั้งให้จิตเนี่ยเป็นไปกับบทธรรมเหล่านี้ถ้าจิตเป็นไปกับบทธรรมเหล่านี้กุศลธรรมก็จะเกิดในจิตเป็นอย่างมาก เรียกว่าเอาเอ า, เอาจิตที่เป็นไปกับภูสลเนี่ยนะเป็นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะสำหรับผู้ที่ศึกษาพระศาสนาควรที่จะเน้นตรงนั้นให้มากแต่ถ้าไปเน้นในด้านอื่นมากๆเนี่ยนะก็โดยเฉพาะถ้าไปเน้นที่วัตถุมากคือวัตถุโดยธรรมชาติของของวัตถุจริงๆอะ น, นะที่เรียกว่าวัตถุกามปกติถ้าดีก็เป็นที่ตั้งของ กิเลสกามเนี่ยนะถ้าดีนะวัตถุนั้นถ้าปนีตหน่อยดีหน่อยก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสกามถ้าวัตถุนั้นปนีตมากกิเลส ก, ก็เกิดมากวัตถุนั้นปณิตน้อยกิเลสก็ก็เกิดน้อยถามว่าถ้าโลภะไปมีมีสิ่งนั้นเป็นอรรมณะปัจจัยนะแล้วโลภะนี้เป็นปัจจัยให้ร่วงกรรมบทได้ทุกข้อหมดเลยเป็นปัจจัยนะทั้งโดยอุปนิสัยปัจจัยเป็นต้นเนี่ยเช่นว่าถ้าเราต้องการวัตถุนั้น ใครที่มาขวางการต้องการความคือการได้วัตถุนั้นใครขวางก็ไม่ควรอยู่ใช่ไหมที่มาของปานาฏิบาติทีนี้ถ้าหากว่าเราหามาสิ่งนั้นหาได้โดยไม่ชอบทำเราทำไงก็อธินนาทานเนี่ยนะที่มาของบาปประธรรมทุกชนิดก็มาจากเออเอออภิชาหรือโลภะแต่ถามว่ามันก็สัมพันธ์ทั้งสองอย่างคือทั้งวัตถุ ก, กับกิเลสเนี่ยนะ วัตถุเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขานั่นแหละแต่ว่าอ ก, กิเลสซี่มันเข้าไปเดือดร้อนทีนี้ถ้าหากกิเลสที่มันเข้าไปเดือดร้อนนะเราโทษวัตถุหรือโทษกิเลสเยนนะควรจะโทษกิเลสใช โ, โทษวัตถุไม่ได้เ <laughs> พราะวัตถุเขาก็เป็นอย่างนั้นของเขาใช่ไหมถ้าวัตถุที่เป็นผลของบุญก็ประนีตไปตามสมควรแ ก, แก่แก่เหตุนั้นๆ แต่ว่าไอ้จิตที่เข้าไปไปเกี่ยวไปคล้องไปติดไปคล้องไปแวะเนี่ยนะจิตประเภทนี้คือสมุทัยสัตว์นะเนี่ยนะสมุทัยสัตร์ไม่ได้อยู่ที่ที่วัตถุแต่ถ้าไม่มีวัตถุสมุทัยสัตร์ก็เกิดไม่ได้อีกนั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงสอนให้พิจารณาถึงโทษของทั้งสองประการทั้งตัวกิเลส ท, ที่เข้าไปคล้องและวัตถุที่ที่ถูกคล้องมกิดนิดนึงฮนะีว่าวัตถุมาก วัตถุประณนีดมากกิเลสจะมีกำลังมากาา ก, ากิเลส ก, ก็เกิดน้อยน้อยจจนมาผมว่ามันจะต้องบางอย่างคือเฉพาะในอารมณ์ขณะนั้นขณะนั้นนะเช่นในขณะนั้นแหละสมมติว่าอย่างเงี้ถ้าหากว่าวัตถุประณนีดมากนะแต่ว่าแทนที่กิเลสจะเกิดน้อยตามไ ม, ไม่ไม่มากไ ม, ไม่ไม่น้อย มันจะต้องเกิดมากเพราะว่าความพอใจที่ว้าทาไมมันถึงมีน้อยอ๋อไม่เฉพาะในขณะนั้นนะไอสิ่งนั้นจริงๆแล้วอ่ะมันให้กิเลสโดยเฉพาะโลภะเกิดไม่มากเหมือนกับอข่าวข้าวกรนาข้าวค้างคืนเนี่ยนะสมมตินะข้าวค้างคืนน่ะกิเลสที่ไปเกิดเพราะข้าวค้างคืนด้วยอำนาจโลภะมันไม่มากแต่ว่าที่มากคือมันไปคิดถึงข้าวร้อนๆอ่ะอันนั้นมากเนี่ยนะ แต่ว่าถามว่าไอ้สิ่งนั้นเป็นปัจจัยให้กิเลสแรงเกิดได้ไหมมาได้แต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วนะศาสตร์ทั้งหลายก็จะคิดถึงวัตถุที่ประณีตเนีย่ยนะคิดถึงวัตถุที่ประณีตนั้นถ้าวัตถุไหนประณีตมากก็เกิดการแย่งชิงกันมากเนี่ยนะนะก็ใช้วิชาทั้งหลายแหลทั้งมวลเนี่ยนะทั้งเดรชานวิชาบ้างมนุษย์วิชาบ้างอะไรวิชาทั้งหลายแล่ลนะี่น ะ, เ, นนะนะนะเพื่อเข้ามามาแย่งไอ้ไอ้วัตถุอันนั้นให้ได้ นทีนี้ถามว่าแล้วควรแก้ไขยังไงล่ะนนะควรควรทำจิตเอาไว้ยังไงในในทั้งสองประการเ น, น, น, นี่ยนะนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะวัตถุ ก, กรรมวัตถุ ก, กรรมเนี่ยนะที่ที่คนจะแย่งชิงเนี่ยคือยแย่งชิงกันเพราะกรรมมาคณห้าคืออะไรบ้างอะรูปสเสียง กลิ่นรถโพธพภะแต่ว่าพวกนี้มาบัญญัติเรียกอะไรก็ตามสมควรใช่ไหมเช่นแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะเงินทองหรือแต่แบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือสิ่งที่มีวิญญาณครองกับไม่มีวิญญาณคลองเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเลือกสวนไรนาทั้งหมดั พวกนี้ก็เป็นอารมณ์ของกิเลสกรมเเป็นอารมณ์ของกิเลสกรมกิเลสกรามเป็นชื่อของโลภะหรือเป็นชื่อของตัณหาเ็นไเขาบอกว่ามาแยกถึงความแตกต่างของหนึ่งนนะกรมกรมในที่นี้มุ่งมาที่ตัวโลภะ เพราะอะไรเพราะอารมณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นของของเขาเนี่ยนะตามตามจำนวนแล้วแต่สมุธฐานของเขานั้นๆนนไปเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเขาแต่ว่าตัวกามที่พระองค์ประสงค์มุ่งหมายจริงๆคือตัวกิเลสกามเนี่ยนะทีนี้พระองค์สอนให้พิจารณาถึงกิเลสกามเนี่ยให้พิจารณาว่ายอย่างไรเนี่ยนะก็ไอตัวนี้นะมันเหมือนกับร่างกระดูก เห็นไหมเห็นโทษของโลภะที่เข้าไปไปติดข้องกับสิ่งนั้นนะว่าไม่มีความต่างอะไรจากร่างกระดูกท่านก็อุปมาว่าเหมือนกับสุนัขตัวหนึ่งหิวโซน้ําลายยืดวิ่งมาเลยเนี่ยนะไปถึงกับพวกเข้าแร่เนื้อแต่ข้าแร่เนื้อก็เห็นหมามาเนี่ยถ้าหมาเยอะๆเนี่ยนะเขาไปจะขโมยเนื้อเขาเขาทำไงเขก็แล่ให้มันเหลือแต่กระดูกเสร็จแล้วก็ไปคลุกกระเลือดแล้วก็คว้างไปไกลๆหน่อยนะมันก็ไปแท้อยู่นั่นแหละ แทะไปกลื่นไปแทะไปกลื่นไปมันก็ไม่ได้เลิกอิ่มเลิกอะไรเลยนะก็บอกให้เห็นว่าไอ้ตัวโลภะที่เข้าไปชอบไปติดไปคล้องอ่ะไม่ได้ต่างจากความหิวโซของสุนัขตัวนั้นเลยมันหิวเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้อิ่มอะไรอย่างอย่างแท้จริงอ่ะนะท่านจึงบอกว่ากระเสมอด้วยร่างกระดูกเนี่ยนะอันนี้ข้อหนึ่งนะข้อสองชินเนื้อ เหมือนชิ้นเนื้อนี่ถามว่าที่เหมือนชิ้นเนื้อนี่หมายความว่าถ้าโลภะไปชอบสิ่งใดวัตถุนั้นไม่ต่างอะไรจากชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อที่ต้องเยอแย่งกันเนี่ยนะเยอแย่งกันเยอะแย่งกันแล้วทํำยังไงบ้างพูดถึงถ้าเป็นพระราชาสองฝ่ายก็ทะเลาะกันเนี่ยนะถ้าแย่งชิ้นนั้นนะก็ต้องดูว่าชิ้นนั้นมันชิ้นเล็กหรือชิ้นโตเนี่ยนะอย่าง พระเจ้าชาตศัตรูทะเลาะ ก, กับกษัตริย์ิาวีก็คือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งทําเลณที่หนึ่ง น, นะนะส่วนใหญ่ก็ทะเลาะ ก, กันเพราะแผ่นดินนะนะถ้าเป็นพวกกษัตริย์เป็นต้นแต่ถ้าเป็นใกล้ๆมาถ้าเป็นเพื่อนก็ทะเลาะ ก, กันเพราะวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ดีเนี่ยนะถ้าเป็นพี่น้องก็แสดงว่าทะเลาะ ก, กันเพราะมรดกมรดกเนี่ยนะก็มาทะเลาะพวกนี้ก็จะเป็นวัตถุที่ยื้อแย่งกันเนี่ยนะก็อย่าลืมว่าในระหว่างที่ยื้อแย่งกันเนี่ยนะถ้า สมควรแก่ปานาติบาตก็จะทําปาณาติบาตถ้าสมควรแก่อธินนาทานก็ทําอธินนาทานบางพวกกรกาเมสุมิฉาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาเนี่ยน ะ, ะเฉพาะส่อเสียดนี้เข้ามาไม่น้อยเนี่ยนะโลกของการแย่งชิงนะ่ะส่อเสียดจะเข้ามาตรงนั้นเนี่ยมากแล้วก็สัมผัสปลาพฤสวาจานี่ก็ไม่ไม่เบาสัมผัสปลาปะก็หนักนาแล้วอภิชาก็หมกมุ่นใครที่มาแย่งนะพยาบาทก็ ก็มากนะนะคือคือไอ้ใครที่มาแย่งแย่งสิ่งนี้บ้างมันไม่ควรมีชีวิตอยู่นะก็คิดแบบนั้นนั่นเป็นพราบาต ท, ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะแล้วก็ถ้ากิเลสมันมีกำลังขนาดนี้นะศึกในการชิงกามเนี่ยใครจะคิดว่ามีโทษบ้างขณะที่กิเลสมันมีกำลังนะก็จะถือว่ากามนี้ไม่มีโทษเนี่ยนะก็จะถือว่ากามไม่มีโทษสรุปว่าอากุศลกรรม บ, บทนี้เกิดเต็มหมดเลยถามว่า สองอย่างนี้อันไหนมันน่ากลัวกับกันตัววัตถุหรือใจของเราเนี่ยนะโลภะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดมันเหมือนกับร่างกระดูกนะเอ้ยขอหมายเหมือนกับชิ้นเนื้อนนะแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้นะมันจะไม่ค่อยไม่ไม่ขอยแย่งด้วยหรอกเอนะหมใครจะเอาไปก็เอาไปเนี่ยนะอย่างที่สามพระ อ, องค์ก็บอกให้พิจารณาเหมือนกับนะคบเพลิงอ่ะนะคบเพลิงนี่ก็ อย่างหนึ่งก็คือทุกข์เพราะการรักษาคบเพลิงนี่หมายถึงว่าถ้าเป็นคบเพลิงสมัยก่อนนะใครเอาญ้าคามามัดมัดมัดมดแล้วก็ถือทวนลมนะแล้วก็ไอ้พวกสะเก็ดมันก็จะตกใส่ตัวเนี่ยนะวัตถุเหล่านี้ก็เหมือนกันถ้าใครมีมากคนนั้นทุกข์มากร้อนมากเนี่ยนะคันมากเพราะสะเก็ดไฟมันตกใส่ตลอดเนี่ยนะก็ สเก็ตไฟนี่มันจะตกมากก็ลองดูมีบ้านสักหลังหนึ่งนะปลวกมากัดนะสเก็ตไฟมันก็ตก่สยใจละ น, น่นะก็มีอะไรนะแม้กระทั่งมีต้นไม้ใบหญ้ามันจะทุกหมดแหละมันเหมือนกับไอ้ไอ้คบเพลิงจริงๆทุกเพราะการรักษาเนี่ยนะก็ต้องคอยระวังว่าเอ๊สมบัติอันนี้จะต้องไม่สาธารณะกับคนอื่นนะอย่างหนึ่งแล้วอย่างที่สองคนอื่นต้องมาเอาไปไม่ได้ก็รักษาแล้วก็เดือดรอ้อน อ่ะ น, นะเพะเพราะเพราะมัวแต่ห่วงกันเนี่ยอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งนะวัตถุเหล่านี้มันคงตนไหมโดยโดยความเป็นจริงของมันมันคงตัวไหมไม่คงตัวอะไรเนี่ยนะก็ต้องไปรักษาอันนั้นด้วยรักษาคนนอกด้วยรักษาแมลงข้างในด้วยก็ทุกมากพตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนกับคบเพลิงก็สี่นะเหมือนหลุมฐานเพลิง ที่บอกว่าเหมือนหลุมฐานเพลิงเนี่ยหมายคำว่าใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะทุกข์แม้กระทั่งในภ พ, น, น, นะพนี้นะภพนี้นะก็ดูว่าใครมีความสุขกับวัตถุ ก, การมบ้างถ้าโดยรวมๆนะนนะให้ยกโดยให้เป็นเจ้าของวอเทเถอะเลย่อา้า ใ, ใหญ่ขนาดนั้นเลยนะให้เป็นเจ้าของขนาดนั้นเลยนะถามว่าชาตินี้เนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนแล้วภพต่อไปเนี่ยจะทุกข์ขนาดไหนถ้า บ, บอกว่าเหมือนหลุมฐานเพลิงคือ ทุกทั้งโลกนี้ด้วยทุกทั้งโลกหน้าด้วยเนี่ยนะก็โลกนี้ยังทุกโลกหน้าก็ทุกแล้วถามว่ามันรองรับอุปนิสัยมรรคผลนิพพานได้ไหมล่ะก็รองรับไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จิตที่เป็นโลภะเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่ต่างอะไรจากหลุมฐานเปลิงเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าโดยกําลังของพระอรหันต์นะท่านมองตัวนี้นะคือกิเลสกรรมที่เข้าไปเพลิดเพลินในวัตถุกรรมเหมือนกับ ลุมฐานเพลิงเพราะร้อนทั้งภพนี้ด้วยร้อนทั้งภพหน้าด้วยเนี่นยนะเพราะที่ร้อนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องนะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกุศลกรรมมาบทเป็นแน่อันนะโดยมากนะน้อยนักที่เอากุศลกรรมมาบทเป็นตั้งเป็นตัวตั้งนะปลวกขึ้นบ้านนี่ทํายังไงนะเราจะได้ไม่ผิดศีลด้วยปลวกก็จะได้ไม่กินบ้านเราด้วยน้อยนักที่จะคิดแบบนี้ที่เหลือคิดว่า บริษัทรีบมาด่วนคนไปให้หมดเลยนะเป่าพวดให้มันหมดเลยนะกานนาติบาตก็เกิด อ, อีกนันก็เมื่อเกี่ยวข้องกับด้วยกิเลสกรรมในวัตถุกรรมโดยมากล่วงอกุศลกรรมมาบท1ิเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์บอกว่ามันเหมือนกับหลุมฐานเพลิงนะอย่างที่5ค่าที่เป็นจริงทั้งหมดคือฝันน่นะ ฝันว่าณสมัยหนึ่งเคยงามมากสมัยหนึ่งเคยเคยอะไรคุณวิลาวัน <c oughs> เมกามันต่างอะไรจากฝันมั่งตอนนี้นะนั่งดูตอนนี้ที่เคยไปอยู่เนี่ยมันต่างอะไรจากฝันมังง <c oughs> ออทักบอกว่าถ้าก็ยังมากก็เอารูปถ่ายที่เคยถ่ายไปดูน้ำนั่นเองยงั มันก็คือฝันดีๆนี่แหละมันจะไปต่างอะไรจากความฝันตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าใช่ใช่คำว่าฝันเนี่ยเนื่องจากว่าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นอ่ะไม่นานฝันว่าโอ้โหไปชมสวนดอกไม้งามมากมันก็มีความสุขชั่วขณะฝันนั้นน่ะตื่นขึ้นมาแล้วอ้าไม่จริงแล้วนี่เงี้ยก็สมมตินะใครมีบ้านนะแล้วบ้านถูกยึดไปเมันต่างอะไรจากฝันอยเงี้ยนะก็ฝันว่าเคยมีบ้านฝันว่าเคยมีโน่นฝันว่าเคยมีนี่ นะถึงถึงเอางี้นะเรามานั่งอยู่ตรงนี้นะวัตถุทั้งหลายที่เรามีอยู่เราคิดถึงเนี่ยเหมือนฝันจริงๆถามคุณเจ้าอมนี่คิดถึงบ้านตอนนี้นะมันจะต่างอะไรจากฝันถึงไม่ต่างกันจริ ง, รงๆเขาบอกมันเหมือนความฝันมันมันไม่ได้อ ร, อร่อยจริงอย่างที่ ท, ที่ที่คิดอะไรหรอกเดี๋ยนะฝันเอาเสร็จแล้วก็บอกว่าข้อหกนะเหมือนกับผลไม้ เมือนกับพลไมาน้นี้หมายถึงว่าต้นไม้ต้นหนึ่งมันมีมีผลเนี่ยนะมีผลดกมากไอ้เจ้าคนแรกที่มามาก่อนนะบอกเออจะไปย่าอะไรฉันปีนต้นไม้เป็นขึ้นไปเลยนั่งเก็บกินนอนกินสบายบนนั้นไอ้เจ้าหลังแบกขวานมาเออต้นไม้มันดกดีนี่ขึ้นไม่เป็นก็ขวานฟันเข้าไปเขาบอกว่าไอ้คนขึ้นมาก่อนนะถ้าไม่รีบลงอะไรจะเกิดขึ้น เขาบอกว่าถ้าต้นไม้มันล้มนะมันก็ขาหักเขาเรียกว่าทุกปางตายหรือไม่ก็ตายอ่างนั้นแบบมีสองอย่างวัตถุกรรมก็เหมือนกันถ้าใครไม่รีบลงไม่ไม่รีบจากวัตถุนั้นๆอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกไม่มีอะไรมากหรอกก็เป็นผีเฝ้าสิ่งนั้นเท่านั้นเองอันนี้อย่างมีบุญนะใครมีบุญแล้วตายเป็นผีเฝ้าเนี่ยถือว่าอย่างมีบุญมากนะใ น, นหนักกว่านั้นก็คือเป็น จริงจบตุกแกเป็นปลวกเฝ้าอันนั้นเลยที่มันหนักกว่ า, ากว่าเป็นผีอันนั้นเป็นผีก็ยังหยาดน้ําไปให้ยังกระพร อ, อนุมโมทนาได้บ้างไหมแต่ว่าในบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะถามว่าปลวกมันอยู่กี่ตัวใน น, นั้นอ่ะเนี่ยนะเอามาสังเกตที่กูเตือนนะถ้าเอาอะไรไปพัดพาดแต่ว่านั้นเดี๋ยวเช้ามานะนะแตะมาแล้วมันจะมีปลวกเข้ามาจัดการละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกแห่งเนี่ยนะสัตว์เนี่ย พร้อมที่จะไปจุติณนะสถานที่ตรงนั้นนั้นไปปฏิสนธิเกิดณนะที่ตรงนั้นนั้นหมดเลยเนี่ยนะแต่ละแห่งเนี่ยไอความยึดความติดความคล้องในวัตถุที่คนไม่รีบออกที่สัตว์ไม่รีบออกจากวัตถุนั้นนั้นเนี่ยนะก็เดราชานเนี่ยจึงจึงมากเนี่ยนะเอาเอาแบบที่เห็นเห็นก่อนนะแล้วก็ยังมีพบอื่นอีกที่ไม่พูดถึงแต่ทีนี้เราพูดถึงเฉพาะเดรฉ า, านที่เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยปริมาณเนี่ยมากจริงๆเนี่ยนะมากจนไม่รู้จะมากยังไง ไม่เชื่อว่าง่งก็ไปนอนฟังเสียงดูแล้วข้อที่เจ็ ก, ก็บอกว่าเหมือนความฝันเหมือนผลไม้แล้วก็เหมือนของยืมเห็มมีค่าว่าขนาที่เข้าไปเพลิดเพลินก็คือเข้าไปกู้ดีๆนี่เองขนาที่ที่เข้าไปเพลินนะไปเพลินกับวัตถุใ ด, ดอะ่ะก็บอกฉันขอกู้หน่อยสิ่งนั้นเ น, เนไหมะเดนก็ วัตถุที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในฐานะคนมีหนี้ที่เข้าไปกู้ในในสิ่งนั้นนั้นเนี่ยนะก็เวลาที่เรากู้หรือไปยืมสิ่งนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะ่ะเขาก็ทวงคืนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ ย, ยนะ่ก็บอกว่าโดยที่สุดชั้นแต่ร่างกายของเราเนะี่ยมันจะต่างอะไรจากของยืมเข้ามามันมันมันชั่วคราวจริงๆมันซึ่งมันเป็นของมีระยะเวลากาหนดที่เรียกว่าคุณต้องส่งคืนนะเนี่ยนะคุณต้องส่งคืน แต่ถ้าหากว่าใครที่แบบแหม่ห่วงมากฉันจะไม่ให้คืนดอกเบีย้ยมันจะแพงขึ้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอะไรครัมันได้กําหนดแล้วใช่ไหมเราไม่ให้คืนอ่ะดอกเบี้ยมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นมันก็จะบวกขึ้นขึ้นขึ้นเพราะฉะนั้นก็บอกว่าการทั้งหลายเหมือนของขอยืมเขาก็เหมือนการกู้แล้วคนที่กู้นี่นะเหมือนเป็นคนที่ติดหนี้ถ้าถ้าไปติดในวัตถุการมนะถ้าติดในรูปนะรูปจะให้ทําอะไรมันก็ทําได้หมด อนะคือคคนมีนี่มันแล้วแต่เจ้านี่เขาจะใช่ใชไหมให้ไปทำอะไรก็ทำหมดก็ค้าๆที่กันเล่าว่าประเทศไทยนี่แล้วแต่เจ้านี่เขามาสั่งอ๋อบริหารอย่างงี้นะเขาก็ทาตามหมดเลยแล้วคนที่มีนี่ก็ลักษณะนั้นนะแล้วแต่ว่ากามทั้งหลายมันจะสั่งนะก็บอกว่าให้รู้กลางวันให้ไปกลางวันมันก็จะวิ่งไปด้วยอนุภาพของกรามนะกลางวันก็ไปแล้วกลางคืนดึกเด แล้ว อ, อนุภาพของการนั้นเหน็ดเหนื่อยก็ก็ทนได้เสมอเขาบอเพื่อกามม่างั้นแล้วก็เพื่อเนี่ตโลภพเนี่แหละเขาแตะเพื่ออะไรอกีกกามทั้งหลายเหมือนกับห อ, อกเนี่ยนะเหมือนกับห อ, อกเหมือนกับของมีคมเนี่นยนะก็ถูกทิ่มกันเนี่ยนะก็ไม่รู้แ่ะถูกทิ่มตั้งแต่หัวโจรดเท้าเนี่ยนะแล้วแต่จะถูกทิ่มตรงไหน ตาก็ถูกทิ่มหูก็ถูกทิ่มจมูกก็ถูกทิ่มฟันก็ถูกทิ่มทิ่มไปหมดนั่นแหละมีปอดมีตับมีไตนี่ยถูกทิ่มหมดเลยก็หัวนะหัวใจนี่จิ้มเข็มในน้อยนี่ก็หอกเล็ก ๆ, ๆเลอหอกหอกเล็กๆจิ้มข้าไปปึ๊บเนี่ยนะแต่ถ้าใหญ่หน่อยนะก็โอ้โหถูกถูกทิ่มหมดเลยนะนั่นกะ็หัวโจรสเท้าเนี่ยนะแล้วก็คนไม่น้อยนะที่ถูกทิ่มหัวใจก็คือเขาผ่าหัวใจใช่ไหม ผ่าผารักษาโรคทั้งหมดเนี่ยทางธรรมะไ ม, ไม่ไม่ได้เถืออรมากจากว่าถูกห อ, อกทิมนะพวกที่สมัยก่อนเขาสวนทวานใช่ไหมคือคือเอาแบบทิมทวานนะสมัยนี้ก็โรครักษาทวานทั้งหลายแหละก็ไม่ได้ต่างอะไรจากถูกทิมแบบโบราณ น, นักหนะ่เพียงแต่ว่าเขาเรียกว่ารักษาเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนักหนอกมันก็เจ็บปวดมันเขาบอกว่าเหมือนกับห อ, อก